ตั้งใจฟังได้แลต้ตาจะตั้งใจพูดอาจะยินได้ฟังเอาไว้การได้ยินได้ฟังมากเรี่ว่าพระสูตรเป็นมุงคลระดับสูงสุดพระสัจจรจะสิบปัญจพินโย ο, สุชิตโตสุภาสิตา เป็นมงคล น, นันสูงสุดรู้ไว้ไม่ใช่บาทแยแคามลองรูกก้ก่อนได้ยินเลยฟังเพื่อเอาไปสอนตัวเราอาจฟังไปจำว่ามันล่องเทงหรือห่อนลำ่ำตอนนั้นไม่ค่อจะมีประโยชน์วัง ในธรรมที่มันเป็นประโยชน์ตามหลัพกพองเจ้าสอนเป็นทีิุ ด, ดีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่สุดจะได้อยู่โดยชอบที่สุดในโลกถ้าไม่มีความรู้ไดๆก็โ็เอาความผิดมาเป็นความถูก อาความเทม็จมาเป็นความจริงทาตามความเท็จทาตามความผิดเสียผู้เสียคนเราจงมาศึกษาตามทฤษฎีของพระเจ้าเรเจ้าฉีดเช่นให้เดินได้แล้วว่ามีเช่นไม่จนเช่นความคิดชอบ บุคคลก็มีความคิดใจความคิดให้เป็นอย่าให้ความคิดมันใช่เราการคิดชอบเป็นอย่างใดเล่ า, าการที่เราสาทิยาปพิสูน์การคิดอันใดที่เป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์เราดำเนินไปทางที่มันออกจากทุกข์ก วิธีโดยคิดเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์แค่เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ น, นั้นวันนี้เรื่องคามคิดชอทุกคนก็มีความคิดจะคิดไปเป็นก็คิดแบบกัดต่อตัวเองให้เจ็บปวดเป็นทุกข์เพราะความคิดตัวเองคตามๆความคิดเป็นความผิดก็มีเยอแยอะ จึงมีหลักคิดกันนระว่าที่ดีลุ่นกับลุลนของการใช้ชีวิตเหมือนแสงเงินสงทองขึ้นสองข้าจะเห็นทิศทางกําเนินชีวิตไปชิดชอบคิชิถูกแล้วก็ดำเนินไปทำความถูกต้องนั่นหวันไหว การตามความถูกต้องการใช้ชีวิตมีเยอะแยะสิ่งที่ทำให้ผิดสิ่ทําให้ถูกเกิดจากตัวเราบ้างเกิดจากสิ่งรอบรอบบ้างเกิดจากผู้คนบ้างผู้คนก็ชวนทางผิดเยอะแยะผู้บอกผิดบอกถูกก็มีให้รู้จักเป็นเกณฑ์ชี้วัดแล้วก็ผูดชอบ จะาคนมีวาจามีคําพูดจำพูดที่ทำให้โอมชีวิตไปได้พูดที่ขอมาฆ่าก็ได้พูดที่ขอมาฆ่าเัิเงก็ได้พูดที่เสียเงินเสียทองก็ได้พูดทีตด่ติดคุกติดตรางก็ได้พูดทีค่คนกราบคนไหว้ก็ได้ พูดในคนล็อกคนชงก็ได้นี่ความพูดความพูดเนี่ยสำคัญที่สุดจึงมีวิธีพูดคนที่พูดลยยอยอะจะยากดังมีเรื่องว่ามีสองผัวเมียคู่หนึง่ง อยากได้ลูกไม่มีลูกตัวสองผัวเมียคู่นี้ไม่ค่อยจดดีเป็นคนทุจีิตจึงได้ลูกมาเกิดเป็นผู้หญิงทั้งหมดสี่คนคนหนึ่งนิจสายพูดร้ายคนที่สองนิจสายเจ้าชู้ คนที่สามนี่ใช้ขโมยคนที่สี่นี้ใช้จินจุของัวเงียก็เลี้ยงด้วยความยากลำบากได้เอาลูกสาวไปลอยแพแต่งห่อข้าวห่อขอ ง, งให้แล้วขออยู่ของกินของช้ม่สเอาไปลองลอยแพ มันเรียงไม่ไหวทีนี้นายสัมภารเห็นหญิงสาวอยู่ในทะเลและจอดสัมภารลับขึ้นเรือใหญ่โตขึ้นไปช่วยเหลือแต่รู้จักเนื้สายของคนที่คนนี้คนที่จินจุให้เป็นผ <c ười> ู้ท้องครัวก็แยได้ คนทเจ้าชู้ให้เป็นให้เป็นเมียของนงายสมภูช่ะจะได้ระวัดระวังคนที่รักขโมยเป็นเจ้าของมันชีหลายลาบหลายจ่ายแก่ได้แต่คนที่พูดได้แก่ยากก็อยู่ท้าเรือก็อยุยงให้คนท้ายเรือกรคนอยู่หัวเรือมาอยู่หัวเรือก็อยุ่ ย่งให้คนหัวเรือโกรธคนที่อยู่ท้ายเรือด้วยคำพูดตอบริมให้โกรธกันให้เข้าใจผิดเมือที่เจอต่างหัวเรือถ้ายเรือทะเลาะกันอยู่เรื่อยเพราะคนพูดไร่ไโย่อไปยงยุยงโบกวันก็ได้เรื่องทราบว่าหญิงคนนี่แหละลูก สาวคนนี้แหละที่ไปยุยงคนหัวเรือคือคนท่าเรือก็เลยมาพูดกันตะวันเราอยู่ด้วยความเสบกี้กันก็หญิงคนนี้มายอยู่กับพวกเราพวกเราทะเลาะกันแล้วเคือ ง, งใจกันเกิดรักเกิดดีกันแล้วหวังหญิงคนนี้เจะยังไงก็เชื่อไม่ได้ในเลือนั่น นายสัมปะก็เจอหลายวิธีไม่ได้บทที่สีกลลส็อลอยลแพให้อยู่กลางทะเลซะ ก, ลา ก, าก็ลอยแพอยู่กลางทะเลมีนกหงส์สตัวบินล่องมาบนอากาศเห็นเด็กหญิงสาวลอยแพอยู่กลางทะเลลอยตกลงก็จะช่วย เจ้าหญิงคนนั่นขึ้นจากทะเลไปขึ้นองางแผนกส่องตัวเอาไปจงมาวจิงไหมมาเพื่อให้เด็กินั่นจับตรงกลางนกหงสองตัวก็จะขาวสข้างบินขึ้นทะเลก็แผนช่วยเหลือ แต่ลยลงไปลอยน้ำกลางทะเลหอมเสดช่วยหญิงสาวคนนั้นให้หญิงสาวคนนั้นจับไม่ตรงการาลางเสนไหวทีวี่เราทั้งสองจะหามขึ้นบนอากาศยกขึ้นขึ้นไปบนฟ้าแต่ห้ามพูดคาจ๋าห้า ม, ามบางมือเด็ดขาดหรือเฉดลุกองก์หามขึ้นไปได้ลอยบนอากาศบินขึ้นฟ้า หญิงคนนั้นก็แขนไม่หน่อยหญิงสาวคนนั่นก็้นปากลา้ลยก็หญิงตัวไปทางลุกผงตัวผู้อ็ท่าพูดเจ้าพาราศีมาทางลกขงตัวเมียก็พูดแบบว่าสามีของเธอมาชอบฉันแล้ว โอตัวเียก็โกรธอตัวผู้ก็หวงมีของตนเป็นเช่นนั้น้ตัวเบียก็ถูกยงให้โกรธกันเพราะเยียงคนนั้นอหตัวเียโกรธแล้วก็วางางไมจะไปตีลตีจลุกตัวผู้พอวางไม่ลุก ของตัวผู้ข้ามมาอยู่หล่นลงไปกรางทะเลแล้วของตัวเมียก็ไล่จิกนกของตัวผู้นกของตัวผู้ไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรพอที้เจอก็หยุดทะเลาะ ก, กันได้แต่ยญิงสาวคนนั้นตกลงกละจ่างทะเลตายไปไกลนะเป็นฝรั่งไรไหนะ ตัวนีตายก็ลองลอยนะ้าไปแต่ขึ้นฝั่งนี่วัาแท่งอยู่ฝั่งทะเลพอามาเห็นหญิงลอยน้าอยู่ก็เลยเอาขึ้นไปเผาเพื่อจะทำบุญิทธิตให้เธอเป็นคน ม, มาจากไหนขึ้นไปเผาเวลาเผานั้นยังมีอาถรรพ์ของหญิงอยู่ พอที่สวดกันก็ทะ อ, อ ก, กันสวดไม่ถูกกันเลยหลวงพ่อหนึ่งนี่วนมาจากวัดท่าโกหลวงพ่อหนึ่งไม่วนมาจากวัดท่าข้อหลวงพ่อท่าโกบอกวัดอาจิวัดทโกทะโนทา่า อ, อาจิวัดท่าโกทะโนท่าโกสังฆวัดทโกไปหลวงพ่อวัดตาค้ออาวิวัดท่าข้ สิวัท่าข้อยศวัท่าข้อพลวัตท่าข้อไม่ถูกกันล้วก็ทะเลาะกันคิดจะแกขึ้นมาจะเลยมาชิดว่ามันเรื่องอะไรทาไมเรายึงทะเลาะกันก็มาเห็นว่าเอออันนี่แหละมันชนหญิงคนนี้มันมันเป็นไงแล้วจะดูไป ฝังไว้ที่หลุมฝังศพต่อแล้วที่นี่ก็มีนักเดินต้มเล่าไปต้มเล่าพอต้มเล่าไปตั้งอยู่ที่มีปล่มีอะไรอยู่บางที่ฝังศพเกิดไปก่อไปที่ตรงนั้นต้มเล่าที่ตรงนั้นเกาะปลานต้มเล่าต้องไปต้มในป่าชาต้ตำรวจจับ แต่ก่อนคนกุดเล่ามันทะเลาะกันวันที่เธก็พออาถันพ์เขากินคนนั่นก็อยู่ในเล่าเกิดินเล่าทะเลาะกันแล้วทุกวันี้ใช่ไหม <laughs> หมอ <c oughs> เองินนะคนปากล้าเสื้อยา่าต้องหัดพอสมควรนะพูดชอบพูดแต่ในสิ่งที่ผิดอย่าหลอกลวงเขาด้วยคำพูด อย่าพูดเทิจอย่าพูดคําหยาบอย่าพูดเพ้อเจอ้ออย่าพูดสโสเสียดาการพูดดีๆเป็นปีละวาจาบอกขึ้นบอกถู ก, กอย่าอยู่อย่าด่ากันคือเจ้าสอนนี่นให้พูดชอบการพูดชอบเป็นอย่างเริมเล่าไม่พูดเทิจไม่พูดสโสเสียดไม่พูดคําหยาบ อุสาวาทาเวรมนในเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่ยิ่งเว้นจากการพูดสอเชียดเว้นจากการพูดโฟเชอร์เว้นจากการพูดคำหยาบนี่หลักการพูดอับว่าเพื่อให้ไม่มีโทษนอกจากสัมมาวาจาสัมมากรรมวันตาการงานชอบปารานนิพพานจะจากโทษ จะได้เป็นทุกเป็นโทษส่วนตัวแลคนอื่นอย่าไปทำก้าสัตว์การงานไปข้าสัต h, ว์ทำร้าสัตว์หายแลนก็ชอบเป็นหอยอา ว, วุธก็ไม่ชอบหอยเครื่องประงานก็ไม่ชอบ แ, แต่ขอยวิชาวมิชาอาชิตัวไม่ชอบนะ ฆ่าขายผูย้หญิงข่าขายทุจริตเนี่ยยาบ้ายาหมาหมดเนี่ยเขามันชอบถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษผู้ขายติดคุกผู้เ ส, สพผิดหมายผู้ขายติดคุกมันที่เขาพูด ก, กันเน่การฆ้าขายแล้วก็อนชีพเนี่ยอย่างชีวิตตดยทรงที่ชอบ แล้วกนนี้ความชอบเขียนชอบความแต่ความดีนิสติตวานเพราลงไปในกายใจของเราคิดจริงได้พูดจรดาได้ระลึกได้พูดก่อนเพื่อก่อนทำก่อนคิดให้รู้สึกรึได้ก่อนจะ่าพูดด้วยความหลงอย่าทำด้วยความหลงอย่าคิดด้วยความหลงเนี่ย หลักทิษดีพุทิย้าแล้วก็มีสติประในกายก็เฉ็นเขา้าเหยี่วเห็นออกรู้จึกตัวหัดตนสอ น, อนตอนจะได้เห็นความผิดความถูกต้องเกิดขึ้นกับปากับใจเราจะเ ห, เห็นน่ยตามนดวงตาเห็นตาภายในจะได้แก้ไขบ า, างอย่างเกิดจากความคิดไม่ตั้งใจคิดไปโู่ น, นก็มอรู้จักตัวสํา พอที่มัคิดพยาบาทกับมากลับมารู้สึกตัวเพราะมันเคยคิดมันเคยติดสิ่งที่ไม่ดีมาในความคิดกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าสมมาสติต่อไปก็สมมาสมาธิคือความตั้งใจเมื่อชอบจุดยอดเลเพราะละกามเสียได้มี ไม่มีอารมณ์ไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์จิตใจสงบเย็นมีปติปัจจิติทั้งเย็นทั้งมีความสุขทั้งมีปัญญามีความสุขแบบอยู่ในฌาญสบาบัดในความสุขก็ต้องละละสุขเสียได้ละทุกข์เสียได้ก็เข้าถึงนักปลนิาานเนี่ยความชอบที่ันน อยู่ในการใจเรานี่มาสร้างขึ้นมาใบากายถึงมรรคถึงผลได้ถ้าทำไม่ถูกต้องระช่วยบายไปช่วยโลกไปช่วยพวกเปตพวกกับจิราชานระวังเรามีกายิจัยอาตารความดีเนื้อแยะความดีเนี่ยไม่ได้จะจนยิ่งเรามีเป็นคนไทยมีชาตินา มีพุทธศาสนามีคำสอนยเยอะแยเลยเรามาทำตามคำสอนนั้นาการใช้ชีวิตน่ะมันจะอยู่ในโลกอย่าสงสง่างามอย่างปลอดภยัยถ้าใช่ไม่เป็นก็ความทุกข์ทุดอดร้อนเกิดขึ้นเจอเราได้จึงหด ใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามทฤษฎีของพระเจ้าเยอะแยะการสอนมาหัดมาเรียนมาศึกษาท่านมออกจากบ้านมาหงอมทางไปบอชจ๋าเราเรียนแต่ว่าไม่ความรูดของเก่าโบราณมันลื่อมันหลงครับ ท่องจองความดีเอาไว้ทำามใจเอาไว้แล้ยินพ่อแม่สอนว่าอย่างไรอัดจมความดีที่พ่อแม่สั่งสอนอัดจมความดีที่ครูอาจารย์บอกสอนปฏิบัติตามอย่าดื้อเนคนบ้านนอนสอนง่ายตนคนอ่อนโยนสุขภาพ สมัครญาติจนคนไม่ดือ้อน่ารักมีดีหลายอย่างให้มีความดีหลายอย่างประกาศความดีบางบางคนเด็กน้อยบางคนแต่ก่อนต้องตสอนโรงเรียนอนุบาลนี่สอนเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างวันนะ เรเรียกว่าเชี่อมันมาไอหมูหมูหมูหมโธอโตขึ้นมาเธอจะเป็นอะไรบังกอลลูกกนตอบว่าผมจะเป็นด็อกเตอร์มันว่าอย่างนี้ผมจะเป็นด็อกเตอร์ครับมันว่าอย่นี้เด็กน้อยสี่ปี อยู่นี่ก็ทำท่าจะเป็นนักเต๋อจริงๆนะ <laughs> อยู่วิชาวิชปีสาแล้วเรียนจริงอันดับ1อันดับ1จากโรงเรียนเท่าฝันหวานเลยเข้ามัธยมอันดับ1นึ่งไปเรื่อยเขาหา่อหลายอย่างง่ายด่ายเดินเข้าด่างสง่างามบอกมีความรู้วิชาวิชาปีสาแล้ว งั้นเราจะได้ปัญญาตีปัญญาโทรปัญญาเอกเป็นดเาเกื้อไปเลยแต่พวกเราเนี่ยน้อยจิตเช่นไยบ้างไหมว่านี้เรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกนี้จะเป็นอะไรโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรต้องตั้งต้นเดี๋ยวนี่จิดเช่น้อยเราจะทำอย่างนี้เราจะศึกษาอย่างนี้ ต้องเขียนเช่าว่อย่ปล่อยเล่นเล่นอยู่ไม่ได้จับหนังสือต้อหาเล่าเดียนจะเดียนแล้วจะบวชเดียนแล้วไม่ใช่มาบวชเล่นแล้วไม่มีเลี่ยนกับว่าไม่รู้ไม่รูว้วสลุลติมแสนที่รู้กับโปรดายโบราณท่านสอ น, นเนี่ยโอยา่าตายายท่านสอนตั้งนี้ เมื่อการมีอาจารย์คนหนึ่งดรคำปนศิลาอาตไปอยู่หาวิไลจุลาหลวงพ่อไปไปอยู่ที่นั่นโมบหลงก็เป็นลูกกำพร้าไม่มีพ่อมีแม่พี่น้องห่างๆเอาไปปากไว้วัดเป็นบัตรทีวัดโตขึ้นมาก็บวชเปนเดนน้ดย ว่าหวดเป็นเงินน้อยก็ตั้งใจเรียนหนังสือจะหมายสงครามโลกครั้งที่สงเกิดอดอยากเป็นหาบาดยากหาข้ากินยากอยู่กรุงเทพเป็นคนขอเกียเลี้ยงไปอยู่กรุงเทพก็เลยข้าวรันทัพพีก็มีแต่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่ท้อถอย อาหารกันจินอย่าพูดเลยขูดจะก่องมีต้นกระถินอยู่หนึ่งต้นหนึ่งอยู่วัดมหาธาตุนั่นก็เจ็บยอดเจ็บใบามาเท้ากับข้าวเจ้าข้าวแม่เม่น้อยก็ใส่ยอดกระถิญลงไปเท้ากันลงไปเมืเ่อใบไม่เจ็ก็ขูดผิวต้นกระถินต้นนั้นน่ะเ้าข้าวกิน จนเหรียญจบที่จุฬาลักษณ์ต่อปัญญาโทปัญญาเอกก็เป็นด็อกเตอร์เดี๋ยวนี้ไปเป็นนักวิชาการอยู่ก็ช่วงศิษา์ิีก่นแต่สมัยนี้มันตายไปแล้วมังกเติ้ลเสียแล้วอาจารย์หลองตาเนี่ ได้เป็นสอนให้ฟังประวัติเล่าให้ฟังน่าศึกษามากและอย่าไปกลัวความยากลำบากต้องชู้การศึกษาเยียนใบกายร้าเกียดข้ามลกลันลำบากหลังต่อเป็นเคยเป็นเด็กมาแล้วต่อไปเธอกเพอก็จะเป็นผู้ใหญ่ อาจจะเป็นพ่อคนแม่คนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องกยกนิ้วขึ้นมาเลยลูกพ่อนี่แม่นี่เรานี่แหละคนหนึ่งคิดอย่างนี้ตั้งใจยอย่าไปเหลยถลยตกผู้แล้งเป็นแลางตกมุกกาเป็นกาไม่ได้เดีวสามก็มีเยอะๆไปไม่รอดจะยืนไหมย็นหน่อย ฮะได้ยินไหมฮะว่าดังๆว่าเราฟ้องกันฟึ๊บๆเออตรงข้องแถวอ๋อสมวเวลารพรอค